ต่อไปขึ้นสัตมีวิพัฒน์นะสัตมีวิพัฒนยันตปัฏะบทที่มีสัตมีวิพัฒน์อยู่สุดท้ายบทที่มีสัตมีวิพัตน์อยู่สุดท้ายสัตมีวิพัตน์ที่ลงมานี้ใช้ในอัตส1บอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง 1. โอกาสะไม่ว่าโอกาสะก็ว่าอาทางระไม่ว่าโอกาสะอาทางระก็ว่าอะทิการณะอย่างใดอย่างหนึ่งสคำเนี่ยหมายถึงสัตมีวิพัฒน์ บางที่ท่านก็ใช้โอกาสะบางที่ท่านใช้อาทางระบางที่ท่านใช้อธิกรณะแปลว่าที่ตั้งของกิริยามีย่อยออก4อย่างคือข้อกพยาปีกะคําว่าพยาปีกะใะะ้แปลว่าแผ่ไปแผ่ไปในที่นี้ก็ใช้คําว่าซึมทราบซึมทราบอยู่ทุกส่วนก็ตามหรือซึมทราบอยู่บางส่วนของสิ่งนั้นๆก็ตาม เรียกว่าพยาปีกะแผ่กระจายไปทั่วข้อขอขอ้ขอขาโอปาซิเลสิกะโอปาซิเลสิกะนี่แปลว่าเข้าไปติดโอปามาจากอุปาแปลว่าเข้าไปใกล้ซิเลสิแปลว่าติดแปลว่าแนบโอปาซิเลสิกะจึงแปลว่าเข้าไปติดเข้าไปแนบในทนี้แปลว่า สถานที่ซึ่งมีวางซ้อนอยู่ข้างบนนะมีสิ่งที่วางซ้อนอยู่ข้างบนหรือเข้าไปติดอยู่ติดกันอยู่ต่อไปข้อฆสามีปิกะสามีปิกะมาจากสามีปะสามีปะแปลว่าใกล้สามีปิกะแปลว่ามีอยู่ในที่ใกล้ที่ตั้งซึ่งมีอยู่ในที่ใกล้เวสยิกะต่อไปข้อสีาเวสยิกะมาจากวิสยะ วิสัยะแปลว่าที่อาศัย <c oughs> เวสยัยกาจึงแปลว่าที่ตั้งซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่เนืองนิดเป็นที่อาศัยเป็นประจําประจําเช่นมนุษย์ก็อยู่บนผิวโลกนกก็อยู่บนท้องฟ้งฟาปลาก็อยู่ในน้ำอย่างนี้เป็นปกติเลยต่อไปอันที่สองของสตมีวิพัฒคือสามิสังราทิโยคะในที่ประกอบด้วยสามีสั์หรืออิศังระสั์เป็นต้น ก็ให้ลงสัตตมีวิพัฒน์ข้อ 3. นิทางกัณะคำว่านิทางกัณะก็คือแปลว่าถอนแปลว่าแยกออกแปลว่ายกออกจากกองใหญ่ๆอย่างเช่นเรามีหนังสือกองรวมกันเอาไว้เราก็หยิบออกมา1เล่มการหยิบออกมาหนึ่งเล่มนี้แหละนะแปลว่าถอนออกมาจากกลุ่มกลุ่มใหญ่ก็คือหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นพัะไตรปิดก เล่มใดเล่ม1ในจำนวนพระไตรปิฎก45เล่มใช่ไหมเราเอาพระไตรปิฎกมากองไว้45เล่มแล้วก็ดึงออกมา1เล่มเล่มไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็บอกว่าพระไตรรไตปิฎกทั้ง45เล่มเนี่ยเล่มที่เราถือมาเนี่ยเป็นเล่มใดเล่ม1ในจํานวนนั้นอย่างนี้ลักษณะถอนต่อไปต่อไปอัตที่สคืออนนาทังระ สัตมีวิพัฒน์ก็เหมือนกันกับฉัตรีวิพัฒน์ฉัตรถีวิพัตน์ก็มีอัตนาธระมาครั้งหนึ่งแล้วแปลว่าไม่เอื้ออาทรซึ่งมีใช้ทั้งสองวิพัฒน์คือฉัตรถีวิพัฒน์ก็ใช้ได้สัตตมีวิพัตน์ก็ใช้ได้ในทำนองเดียวกันอธิหกรรมัทะเห็นสัตตมีวิพัฒน์แต่แปลเป็นเหมือนทุติยาวิพัฒน์แปลสัตตมีเป็นทุติยาอธิหกกรณัฐะ เป็นสัตมีวิพัฒแต่แปลเป็นตัติยาวิพัฒแปลสัตมีเป็นตัติยา 7. นิมิตตัทธะเป็นสัตมีวิพัฒแต่แปลเป็นเหตุซึ่งเหตุมีวิพัฒ์อยู่สามวิพัฒที่ใช้อัเหตุได้คือเหตุที่เป็นตัติยาเหตุที่เป็นปัญจมีและเหตุที่เป็นสัตมีตัติยาและปัญจมีส่วนใหญ่ในคำแปลวิพัตน์ท่านจะแปลว่าเพราะหรือแปลว่าเหตุ ถ้าสัตตมีก็จะแปลว่าในเพราะแต่สรุปแล้วแปลว่าเหตุเหมือนกันจะแปลว่าอย่างไรก็ช่างให้แปลว่าเป็นเหตุให้ได้ก็แล้วกันดงนั้นแปลเอาความทั่ ว, วไปก็แปลว่าเพราะอย่างเดียวสัตตมีก็เพราะตะติยาปัญจมีก็ตามก็เพราะเหมือนเดิมต่อไปอธิแปดสัมปทานัตถะเห็นสัตตมีวิพัตแต่แปลเป็นจตุถีวิพัตแปลสัตตมีเป็นจตุถีแปลว่าเพื่อ แปลว่าแกอะไรพวกนั้นอ่ะนะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดอธิ9ปัญจมยัตถะปัญจมีวิพัตน์ก็คือเห็นสัตตมีวิพัตน์ให้แปลเป็นปัญจะมีวิพัฒน์แปลสัตตมีให้เป็นปัญจมี10กาละสัตตมีวิพัฒลงในอัตการเวลาก็แปลว่าในเวลาในการเช่นสัาในการทั้งปวงสัพพธาในการทุกเมื่ออะไรอย่างนี้ เป็นสัตมีวิพัฒน์นะเป็นกาละสัตมีต่อไป11ภาวะลักษณะหมายถึงลักษณะที่เกื้อกูลต่อความเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลักษณะอะไรที่ไม่ให้รู้ได้ว่ามันเป็นยังไงเอาตัวที่มาเป็นลักษณะนั้นแหละมาเป็นสัตมีวิพัฒน์เป็นตัวกําหนดให้รู้เป็นที่สังเกตได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้พราะเห็นตรงนี้ตรงนี้เราจะมาไล่ดูไปตามลําดับอัดทั้ง11ออัดอัดที่หนึ่ง หนึงสัตตมีวิพัฒในอัตโอกาสะแปลหลายอย่างในใกล้ที่เหนือบนไม่มีในเพราะแล้วก็ไม่มีครั้งเมื่อในใกล้ที่เหนือบนดูตัวอย่างในโอกาสะเนี่ยจะปะปนกันให้สังเกตดูว่าอุทาหอนไหนเป็นพยาปีกะ โอปสเลสิกะสามีปิกะหรือเวสยิกะ้องสังเกตดูเพราะในนี้จะไม่บอกเอาไว้ให้สังเกตดูตัวอย่างที่หนึ่งติเลสุเตลังอัติติเลสุแปลว่าในเมล็ดงาทั้งหลายติละเนี่ยแปลว่างาในงาเตลังแปลว่าน้ำมันอัติแปลว่ามีอยู่ เตลังน้ํามันงาอัติมีอยู่ติเลสุในมเมล็ดงาทั้งหลายเป็นอะไรในโอกาซาซีอย่างเป็นอะไรฮะพยาปิกะซึมทราบอยู่ทุกส่วนหรือซึมทราบอยู่บางแห่งอืเป็นอะไรนะเป็นพญาปีกะไม่เป็นเวสยิกะนะ เพราะว่าไม่ใช่ที่อาศัยมเมล็ดงาไม่ใช่ที่อาศัยอยู่ของน้ํามันงาพอมันมาพร้อมกันมันเป็ น, นอย่างนั้น <c oughs> มันมันซึมอยู่มันซึมทราบเ อ, อิบอาบอยู่นะมันไม่ใช่ที่อาศัยของน้ํามันงามเมล็ดงาตัวอย่างที่สองขิงเรสุชะลังอัติขีงเรสุแปลว่านมสด <c oughs> ขีงเรสุในนมสดทั้งหลาย ชลังแปลว่าน้ำอัถิแปลว่ามีอยู่ชลังน้ำอธิมีอยู่ขีเลสุในนมสดทั้งหลายน้ำที่มีอยู่ในนมสดเนี่ยมีเพียงบางส่วนหรือมีไปทั่วมีไปทั่วก็ว เ, เป็นพยาปิกะเป็นพยาปิก ะ, กะถ้าเข้ากับโอกาสะเขาจะอ่านว่าพยาปิโกกาสะ ถ้าเข้าอาทางระก็จะอ่านว่าพยาปีกาทางระถ้าเข้าอธิกรณะก็จะอ่านว่าพยาปีกาธิกรณะในคำย่อทั้งสี่คำนั่นนะถ้าโอปัสิเลศิกะก็อ่านว่าโอปัสิเลศิโกกาสะโอปัสิเลศิกาทางระโอปัสิเกโอปัสิเลศิกาธิกรณะสามีปีกะเขเหมือนกันอ่านว่าสามีปีโกกาสะ สามีปีกาทานะสามีปีกาทิกรณะเวสยิโกกาสะเวสยิกาทานะเวสยิกาทิกรณะนั่นเปเห็นคำพวกนี้อยู่ใ น, หนไหนก็เข้าใจละว่าเป็นอย่างนี้ใช่ต่อไปดูตัวอย่างที่3ามททธิมมหิส ป, ปิโหติ ท, ทัทธิมหิแปลว่าในนมสม้มในนมเปรี้ยว สั ป, ปิแปลว่าเนยใสโหติมีอยู่สั ป, ปิเนยใสโหติมีอยู่ทัทิมมหิในนมส้มทั้งหลายในนมส้มไม่มีทั้งหลายในนมส้มในนมเปรี้ยวถ้าเห็นบาลีอย่างนี้นะทําให้เราจะจะจะอะไรนะจะอนุมานให้รู้หลายๆอย่างได้ถ้าเอานมสดไปต้มให้ได้เนยใสไม่ได้ต้องหมักให้เป็นนมส้มซะก่อนถึงจะได้เนยใส นะถ้าไม่เป็นนมส้มไม่ได้เนยใสต้องบักให้ได้ น, นมส้มขอบคุณมากต่อไปอุทาหอนที่สี่อาสนนิสินโนสังโคสังโคพระสงฆ์นิสินโนนั่งแล้วอาสนบนอาสนะเป็นโอกาสะอะไร โอกาสะอะไรเป็นพญาปิกะโอปัสิเลสิกะหรือสามีปิกะหรือเวสยี่กะเอางี้ละกันนั่งบนอาสนะหรือนั่งใกล้อาสนะถ้านั่งบนอาสนะก็เป็นโอปัสิเลสิกะถ้านั่งใกล้ก็เป็นสามีปิกะเราจะไปนั่งใกล้ทําไมอาสนะก็นั่งบนเลยนั่งบนเก้าอี้อย่างเนี้ยเก้าอี้ก็เป็นโอปัสิเลสิกะ นั่งบนอาสนะห้าถางริยังโอทนังปัจจิตปัจจิตย่อมหุงโอทนังซึ่งข้าวถาลิยังในหม้อเอาละทีเนี้ยในหม้อคำว่าในหม้อ น, นี้เป็นโอกาสะอะไรอืมฮะอยู่ข้างบนหรือเข้าไปติดอยู่ เข้าไปติดอยู่ก็เป็นโอปะเวสิกะไม่ใช่หม้อข้าวไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของข้าวเขาเป็นโอปะซิเลสิกะเข้าไปติดอยู่เข้าไปติดอยู่ให้สังเกตคำว่าหม้อนะต่อไปจะมีศัพท์ว่าหม้ออีกหลายคำ แล้วจะแตกต่างกันนะว่าหม้อไหนเป็นหม้อไหนไม่เหมือนกันต่อไปข้อหกคเตสุอุทกังอัถิอุทกังน้ำอัธิมีอยู่คเตสุในหม้อทั้งหลายอาะ่ะล่ะหม้ออีกแล้วถาลีก็แปลว่าหมอ้อคตตะก็แปลว่าหมอ้อถาลีนะ ให้สังเกต น, นะถาลีเนี่ยเป็นหม้อที่ใช้ต้มแกงส่วนคาตะที่เป็นหม้อที่เอาไว้ตักน้ำฮะมันไม่ใช่กาสิเป็นหม้อดินนะหม้อดินนะหม้อดินเวลาเขาไปเอาน้ำจากบ่อเขาเอาหม้อตั้งหัวไปแล้วไปตักแล้วก็ตั้งหัวเดินกลับบ้านเรามาตั้งเอาไว้เป็นน้ำดื่มน้าใช้คาตะฮะอะ น้ำอยู่ในหมอ้อเนี่ยเป็นอะไรเป็นโอกาสะอ่าเป็นโอปะสิเลสิกะเหมือนเดิมเข้าไปติดอยู่ข้อเจ็ดทูงเรทิโตทูงเรทิโตยืนทิโตยืนอยู่ทูงเรในที่ไกลสมีเปในที่ใกล้อาล่าทั้งไกลทั้งใกล้เป็นอะไรอ๋อฮะเอ า, เอาถ้าทูงเรละ่ะ ยืนอยู่ไกลมันไม่เป็นใกล้แล้วจะทำไงแสดงว่าไม่เป็นสามีทั้งสองคำเนี่ยที่เขายืนน่ะเป็นอะไรอ๋อทูเรใกล้สตรไใกล้สามีเปใกล้อ่าใช่ที่ไกลกับที่ใกล้นั้นเป็นอะไรเป็นที่ที่เขาไปยืนอยู่ใช่ไหม เมื่อเป็นที่ที่เขาไปยืนอยู่มันก็เป็นโอปะเหมือนเดิมเป็นโอปะสิเลสิกะเหมือนเดิมที่ที่เขายืนอยู่ไงมันจะใกล้หรือมันจะไกลก็ช่างต่อไปข้อแปดคังคายังโคโซวสติโคโซให้แปล ว, ว่าวัชโชถ้าแปลโคโซไม่ออกให้แปล ว, ว่าวัชโชถ้าแปลวัชโชไม่ออกให้แปลว่าโคโซ ถ้าแปลไม่ออกทั้งสองคำก็ถามอาจารย์ลราทิเนี่ย <c oughs> เอาถ้าไม่ใส่วงเล็บ ว, ว่าวัดโชไว้ให้นะโคโศจะแปลว่าเสียงกล้อง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เสียงกล้องวสติย่อมอยู่คังคายังใกล้แม่น้ำอะไรเสียงกล้องอะไรจะไปอยู่ใกล้แม่น้ำไม่เห็นจะเข้ากันเลยเอาทวัดโชแล้วก็แปลว่าคอกใช่ไหมล่ะว่าโชแปลว่าคอกค <c oughs> อกสัตว์เลี้ยงคอกปศุสัตว์ส่วนมาก เวลาเขาเลี้ยงตามทุ่งหญ้าเนี่ยเขาก็จะมีข้อปัสุสัตว์เนี่ยอยู่ ใ, ใกล้ริมห้วยเพื่อให้สัตว์มันลงกินน้ํากินท่าได้สะดวกโคโสข้อปัสุสัตว์วัตสติย่อมอยู่คังคาอย่างใกล้แม่น้ําไอ้คังคาอย่างเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นแม่น้านําคงคานะเพราะคังคาแปลว่าแม่น้ําเหมือนนาทีแม่น้ําไหนก็ได้ แต่เวลาเห็นคางคายังปุ๊บนักบาลีทังหลายแปลว่าแม่น้ำคงคาเลยเมืองไหนเมืองไหนก็มีแม่น้ำคงคาไม่หมดอันนี้เป็นอะไรอ่าก็คำแปลมันชัดอยู่แล้วว่าใกล้แม่น้ำถ้าไม่เป็นสามีพีกะนะถ้าสมมติว่าเป็นโอปสิเลสิกะได้ไหมค้อบย่อมอยู่ในแม่น้ำได้ไหม ถ้าใครไปทําข้อบุญสัตว์ในแม่น้ํามาจมตายหมดะดังนั้นความหมายเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมาแปลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันอยู่ที่ความเป็นจริงมันเป็นได้ยังไงข้อปลาหรือเขาเรียกหรือข้อปลาฮะเขาเรียกอะไรเออกระชังเลี้ยงเลี้ยงปลาในกระชังอะไรอย่างเงี้ยต่อไปข้อเก้า พระขวาสาวัตถิยังวิหารรติเชตวเนอนาถปินดิกกิตปินดิกัสอากราเมพระขวาพระผู้มีพระภาควิหารรติประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอาราเมอันเป็นอารามอานาถปินดิกัสของอานาถปินดิกาเศรษฐี สาวิตไอสาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันอันเป็นอังรามของนาถาปิณิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีในที่นี้มีคําที่เป็นศัตร ม, มิพัฒอยู่สองคำคือสาวัตถียังและเชตวเนส่วนอังรามเมขยายเชตวเนเท่ากับเป็นเชตวเนเหมือนกันนั่นแหละสาวัตถิยังแปลว่าในกรุงสาวัตถี เชตวันเนเปรีว่าในพระเชตวันทั้งสองคำเนี่ยเป็นอะไรเป็นเป็นโอกาสอะไรอยู่ใกล้ไหมหรือเป็นที่อยู่ประจำถ้าวัดระวัดเชตวันอยู่เมืองอื่นมีไหมไม่มีก็แสดงว่าสาวัตถยังเนี่ยเป็นเวสยิเวสยิกะส่วนเชตวเนเนเราผู้ทีเจ้าวะทับอยู่วัดเชตวันตลอดไม่ส่วนใหญ่แล้ว พระเจ้าประทับอยู่พระเชตวันเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเวสยิกะอีกนั้นทั้งสาวัตถียางทั้งเชตวเนเนี่ยเป็นเวสยิกะเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าต่อไปข้อ10อากาเสสกุณาปักขันทันติสกุนานกทั้งหลายปักขันทันติย่อมบินไปอากาเสบบนท้องฟ้าบนอากาศ อากาศเป็นที่อยู่ของนกไหมเอาเป็นตั้งแต่ยังไม่สว่างออกไปอยู่ท้องฟ้าแล้วนกอะอ่าเราว่าอย่างนั้นอะนกอยู่บนต้นไม้แต่นั้นท่านบอกว่านกอยู่บนฟ้าปลาอยู่ในน้ํเขาว่าอย่านัะนั่นคือปกติของมันมองเห็นฟ้าก็มองเห็นน ก, ม อ, นนกมองเห็นนกก็มองเห็นฟ้าทํานกอยู่ตัวบนต้นไม้หาตัวไม่เห็นแล้ว <c oughs> เป็นอะไร อ่าเป็นเวสยิกะต่อไป11บเอภูมิสุมนุษย์จักรันติมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายจักรันติย่อมท่องเที่ยวไปย่อมเที่ยวไปเที่ยวมาภูมิสุ บ, บนแผ่นดินใหญ่บนแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยบนแผ่นดินทั้งหลายแผ่นดินเดียวนี่แหละแต่ว่ามันแผ่นดินใหญ่ขยายว่ามันจะมันมากเป็นอะไรเวสยิกะอีก ชเลสุสิบสองนะชะเลสุมัตฉาจังรันติมัตฉาปลาทั้งหลายจังรันติย่อมไหว้ไปไหว้มาชะเลสุในน้ําทั้งหลายปลาไหว้ไปไหว้มาอยู่ในน้ําเป็นอะไรเวสยิกะอีกสิบสาปลาเทสุปติโตทันโดทันโดไม้เทา้าหรือว่าท่อนไม้ดุ้นไม้ ปะติโตตกลงแล้วปาเทสุท <faut> ี่เท้าทั้งหลายท่อนไม้ตกใส่เท้าเท้าเป็นโอกาสะอะไรที่นี้เอาละที่นี้โอปาโอปาเนเนทไม้เป็น เป็นอะไรนะเป็นพยาปิกาแสดงไม้ปักเข้าไปอยู่ในเท้า <laughs> ในไม้มันตกใส่เท้าเฉยๆตกใส่บนเท้าก็เป็นโอปาซิเลสิกาเพราะว่าตกไปแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปก็เหมือนพระไปนั่งบนอาสนะเดี๋ยวก็ลุกหนีไปอะไรอย่างเี้ยข้อ 14, สิบสีปาปัสมิงระมตีมโนมโนใจรมตีก็คือระมติรมติย่อมยินดีปาปัสมิงในบาป ในบาปเป็นอะไรอา้าวปกติใจเรายินดีในไหนในบุญเลยอย้าวงั้นขัดกับคำพูดเจ้าแล้วงั้นนะคูเจ <laughs> ้าทัหลายปกติว่าจิตของคนย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำดุดกระแสะน้ำมีแต่คนจะทวนกระแสะตั้งแต่โสตาปันโนขึ้นไปถึงจะไปยินดีในบาปงั้นส่วนใหญ่ยินดีในบาปมากกว่าในบุญ ก็มีบ้างกาลยานะักผู้ิชนอย่างเราๆนี่แหละยินดีในบุญมากกว่าบาปปาปัศมิงเป็นอะไระใช่เหรอันเป็นพยาปิกะนะพยาปิกะจิตของคนแพรไปสู่บาปกรรมเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ừ, บางส่วนก็ได้ <c oughs> เช่นบางคนชอบพูดโกหกแต่ไม่ชอบฆ่าสัตว์ <c oughs> บางคน ชอบลักเล็กขโมยน้อยแต่พูดคำสัตว์ใช่ไหมมันอาจจะคนละส่วนกันมันไม่ใช่บาส ท, ทั้งหมดก็มีบ้างบางคนทั้งหมดเลยชอบบาส ท, ทั้งหมดคาสัตว์ก็ชอบลักทรัพย์ก็ชอบพูดปลดยิ่งชอบห <c oughs> <c oughs> <ด>่าห็น้ยแล้วแต่จังหวะและโอกาส <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาถามว่าในโลกนี้อะไรน่ากลัวที่สุดใจเหรอใจน่ากลัวเลย อ, อกุศลที่บากกัน่ากลัวที่สุด <c oughs> ในโลกนี้อะไรน่ารักที่สุดตัวเองครับฮะตัวเองน่ารักที่สุดใช่ <c oughs> บัณฑิตผู้กล่าวสุภาษิตน่านรักที่สุดใครก็ตามพูดสุภาษิตได้คนนั้นอนาลักที่สุดสุภาษิต <laughs> คำที่เป็นสุภาษิตของบัณฑิตน่านรักที่สุดเอาต่อไปสิบห้าประสันโนพุทธศาสเน สสันโนแปลว่าเลื่อมใสแล้วพุทธศา ส, าสนาในพระพุทธศาสนาในพุทธศาสานาเป็นอะไรพญาปีกะพาพปก่าเลยเลื่อมใสทั้งหมดหรือบางส่วนมันสีเลื่มใสทั้งหมดหรือบางส่วนรุ่นนี้ทั้งหมดใช่รุ่นนี้ มเมนะมวันนี้มาทนทุกข์ลำบากได้ยากเอวคดเอวเข็งแข็งอยู่เนี่ยนะแต่พอเลื่อมใสเนี่ยนะต่อไปข้อ16กอ่าเป็นพยาริกะวินเยนิปุโนภิกขุ ภิกขุภิกษุนิปุโนเป็นผู้ฉลาดวินเยในพระวินัยฉลาดก็ได้ชำนาญก็ได้คล่องก็ได้ภิกษุผู้ชำนาญในพระวินัยเป็นอะไรอายามพิกาอีก17ปัณฑิตาพุทเทปสีทันติปัณฑิตาบัณฑิตทั้งหลายปสีทันติย่อมเลื่อมใสพุทเทในพระพุทธเจ้า เป็นอะไรพยาพิกาอีกพาเลติเิเยสุประสีทันติไอ้พารานะพาราติเทเยสุประสีทันติพาลาคนพานทั้งหลายประสีทันติย่อมเลื่อมใสติเทเยสุในเดียรถีทั้งหลาย<น>พญาพิกาอีก 19. บาทางรักาคัพเพสยันติทางรักาแปลว่าเด็กทั้งหลาย สยันติย่อมนอนคับเพในในห้องหรือในคันอ่าโอ้ถ้าในคันเด็กทั้งหลายนอนในคันโอ้ในห้องเพราะคับผ้าในแปลในห้องก็ได้ในคันก็ได้คันก็คับพ้าเนี่ยแต่ว่านี่เด็กทั้งหลายอ่ะแสดงว่าลูกแฝดแต่อย่างน้อยอ่ะว่าเด็กทั้งหลายเด็กทั้งหลายนอนในห้องก็เป็นเวสยะ นะไปเป็นเวสยิกะคัพภะคัเพเป็นเวสยิกะต่อไปยี่สิบมหันลกาขั้งเรนิสีทันติมหันลกาคนแก่ทั้งหลายนิสีทันติย่อมนั่งขั้งเรในเรือนคนแก่แกนั่งอยู่ในเรือนในบ้านไปไหนไม่ได้แล้วมีแต่พวกเรานี่แหละฝืนมาเนี่ <laughs> ค่ะคัเงเรเป็นอะไรในเ ร, เรเนเือนในเรือนในบ้า น, น, ก, น, านก็เป็นเวสิกะเพราะบ้านในเป็นที่อยู่ของคนแก่ อ, อยู่แต่เขาไม่อยู่นานครับเท่า24ชั่วโมงในคนแก่อยู่เกือบเต็ม24ชั่วโมงนะครับแต่คนหนุ่มคนสาวก็อยู่ไม่ถึง10ชั่วโมงต่อไป21พาโลปาปัสมิงรมะมติ พาโลคณพานรรมติย่อมยินดีปาปสมิงในบาปเป็นพยาปิกะ22ปันดิโตกุสเลสุรรมติปันดิโตบันดิตธรรมติย่อมยินดีกุสเลสุในกุศลทั้งหลา ย, ย, ยคล้ายคล้ายของเก่า23ติเลสุเตลังติดทติ เตลังน้ํามันติดทติย่อมตั้งอยู่ติเลสุในเมล็ดงาทั้งหลายก็เป็นพยาธิกะอีก24อุคคลิยังพัดตังติดทติ่พัดตังข้าวติดทติย่อมตั้งอยู่อุคคลียังในหมอ้อข้าวอยู่ในหมอ้อในหม้อเป็นอะไร ไม่ใช่เวสา ย, ยิกะอ่าเป็นโอปะนะเป็นโอปะเพราะปกติข้าวไม่อยู่ในหมอ้อหรอกอยู่ในหมอ้อเฉพาะเวลาหุงกับเวลาตักกินเท่านั้ น, นี <O pa. S 1> คำนี้มาจากเรื่องพระนุรุทธะพระนุรุทธะที่ที่เกี่ยงกันไปบวชอะเกี่ยงกันไปบวชว่าใครจะบวชพระนุรุทธะที่บอกปาธนาไว้ขอจะได้ยินคำว่าไม่มี จำได้ไห ม, ย, มยังไม่เคยฟังอีกเลย <laughs> พระอนุรุธทธะเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญมาดีเขาเคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าในอดีตและตั้งความปรารถนาว่าขอคำว่าไม่มีจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าดังนั้นด้วยอนุภาพของความตั้งปรารถนาเนี่ยไปไหนมาไหนไม่เคยได้ยินเลย ถามถึงอะไรเขาบอกไม่มีไม่เคยได้ยินเลยเกิดเป็นคนมาเนี่ยก็วันหนึ่งพ่อแม่มาปางรบว่าเอาล่ะเราก็เป็นศักยะตระกูลคนนั้นก็ออกบวชคนนี้ก็ออกบวชตามพระพุทธเจ้าแล้วพวกเจ้าสองคนลูกสองคนจะให้ใครออกบวช ด, ดีน้องก็เลยเกี่ยงให้พี่บอกพี่ไปบวชไป ผมจะอยู่เองมันยังไม่ตัวเองไม่ยังไม่เอาบวชเพราะว่ายังหนุ่มยังน้อยชอบเล่นสนุกสนานอยู่ส่วนพี่ก็บอกว่าถ้างั้นเจ้าอยู่จะทํานาไหวหรือทําไม่ไปบวชจะทํานาไหวหรือไหวแล้วรู้แล้วหรือว่าทํานาทํำยังไงยังไม่รู้เพราะว่าทุกคนเขาเถียงกันว่าข้าวในอยู่ที่ไหนเขาก็เลยพูดอยู่อย่างเดียวว่าคือลืมตามาปุ๊บเห็นข้าวอยู่ในหม้อเท่านั้น ปุขลียังพัดตังติธาติเนี่ยข้าวตั้งอยู่ในหม้อเห็นอยู่แค่เนี้ยนาก็ไม่เคยเห็นการทํานาไถนาปลูกข้าวเก็บเกี่ยวไม่เคยเห็นเลยทุกครั้งที่เห็นข้าวคือเห็นข้าวที่พ่อแม่ตักออกจากหม้อล้วให้ใส่จานให้เท่านั้นเองยังไม่รู้จักข้าวสารก็ไม่รู้จักข้าวเปลือกก็ไม่รู้จักถ้าถามว่าข้าวอยู่ไหนเขาบอกว่าข้าวอยู่ในหม้อก็เลยได้ยินคําก็เลยมีคําเนี้ยขึ้นมา อุคดิยังพัดตังติธติเนี่ยเข้าอยู่ในหมอ้อดังนั้นเด็กชายอนุรุตดังนั้นพี่ชายก็เลยพันนาให้ฟังนะถ้าทำนาต้องอย่างนี้พอรูดูฝนมาถึงต้องจูงวัจวจูงควายเอาไปทุ่งนาแล้วก็เทียมไถแล้วก็ไถนาไถนากี่วันกี่วันเหงื่อไหลใครย้อยเหนื่อย ปวดหลังปวดเอวเมือม่อยแข้งเมื่อยขาเพาดำนาก็รอเฝ้ารอประคบประงมรอตัดแต่งหญ้าฉีดย า, ยาไล่แมลงปล่อยน้ำกักน้ำถึงฤดูเก็บเกี่ยวต้องเก็บเกี่ยวต้องนวดต้อ ง, องพอฟังแล้วเฮ้ยยังไม่จบเลยพอๆอพไปบวช ด, ดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่า <laughs> ถ้าทํานาทุกอยาก่างลวบากนี้ไปบวชไปบวช <laughs> นั่นแหละก็เลยตกลงว่าจะบวชคนคน้อง ก็ตอนแรกเกี่ยงกันจะให้พี่ไปบวชไงแล้วน้องจะอยู่ทํานาเพราะพี่พนันนาน้องอนุรุทธักเลยบอกงั้นพี่ทํานาผมใจะไปบวชเลยตกลงไปบวชใช่หม้อข้าวอย่างเดียวเอาอย่างนี้นะทีนี้มาดูนะหม้อข้าวเมื่อกี้เจอสองคำละหนึ่งถาลีหม้อข้าวหม้อข้าวหม้อน้ํายังไม่พูดถาลีกับขากับอกขาลีนี่ไงอกขาลียังนี่ไง ถาลีข้อหอ้าโอคัลีข้อยี่สิบสี่มีมอเข้าเหมือนกันดูนะทีนี้มาดูคำสองคานี้นะถาลีเนี่ยเป็นหม้อโลหะถาลีถาลีในข้อห้าเนี่ยเป็นม่อโลหะม่อสำริดม่อทองแดงหม่ออะไรก็แล้วแต่คนโบราณนะส่วนอุคัลีเนี่ยเป็นม่อดิน พระบาลีท่านบอกว่าถ้าหม้อตกแตกเป็นเจ็ดเสียงแล้วจะประสานคืนกันมานั้นยากท่านใช้ว่าอุคคลีนั่นแสดงว่าอุคลีนี่เป็นหม้อดินอุคลีหรือมาจากอุบทหน้าแล้วก็คละราตาส้อนกะเฉยเส่วนอีนั้นนะเป็นอีอีธีลิงเป็นอีธีลิงสัพ์เป็นอีธีลิ ง, ลงไม่อันนี้เป็นหม้อไว้หุงข้าวเท่านั้นอุคลีเนี่ยเป็นหม้อไว้ไว้หุงข้าว ไม่มันไม่เหมือนกันถ้าหม้อน้ําก็ออกทรงหนึ่งถ้าหม้อข้าวก็ออกอีกทร ง, งไม่เหมือนกันอ๋อถ้าถาลีเป็นหม้อสามลิตเป็นหม้อสมามลิตรมะหงข้าวใช่เป็นหม้อสำหรับหงข้าวบางบ้านมีหม้อหงข้าวเป็นเป็นฮอลโลหะบางบ้านมีหม้อหงข้าวเป็นกระเบื้องเป็นปิ้นทุกวันนี้ก็มีก็มีหม้อกระเบื้องหม้อเซรามิกอะไรพวกนั้นนะนะ เคลือบอย่างดีก็มามาไก่ม า, มาต้มมาแกงมาหุงอะไรได้เหมือนกันคาตาหม้อดินเลยค ต, ต่หม้อดินเลยเพราะว่าคต่าเนี่ยแปลว่าทุบหม้อที่ได้มาจากการทุบทุบทุบเนี่ยนะทุบดินเนี่ยค ต, ตา่าแปลว่าทุบทุบดินปีตีหม้อช่างปีหม้อสําหรั บ, รบตักน้ําถ้าคาต่ากลางกระก็แปลว่าช่างหม้อ ช, ช่างหม้อตีหม้อไช่ตีฉานแตกนานั่นแหละก็ใช้ว่าคตะกาโรส่วนอนุรุทธะเล่าถึงอดีตว่าสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กอนุรุทธะเนี่ยอดีตในชาติเคยตั้งปรารถนาไว้บอกขอคำไม่มีจงจะมีแต่ว่าไปเล่นกับเพื่อนๆ น, น่ยวันหนึ่งไปเล่นพนันท้าพนันกับเพื่อนพนันเท่าไหร่เสียหมด เล่นแพ้ตลอดพอแพ้แพ้ก็ต้องพนันกินขนมกั น, นตามภาษาเด็กพอเสียพนันก็ส่งคนใช้วิ่งไปบอกแม่บอกว่าขอขนมแม่ก็ทอดขนมทอดขนมให้ลูกขนมเบื้องขนมอะไรแล้วแต่แม่จะทำเป็นทำทำลูกก็เล่นแพ้วิ่งให้คนใช้วิ่งไปเอาขนมแม่ทำให้ไม่ทันหมดขนมหมดแต่แม่เนี่ยตั้งใจไว้ว่าอย่างนี้นะว่า เราตั้งใจว่าจะทำขนมขนาดเท่านี้ไว้ให้กินตลอดหนึ่งเดือนก็คือวันนี้ทำอันนี้วันนี้ทำอันนี้แต่ลูกของเรากินหมดภายในวันเดียวเท่านั้นง้นวันต่อไปจะไม่ได้กินขนมอีกแล้วแม่พูดด้วยท่าทางไม่พอใจอ่ะแล้วก็ปิดหม้อปอะไรไม่ทอดต่อแล้วลูกก็ยังเล่นต่อก อ, อยู่พอแพ้ก็วิ่งให้คนใช้วิ่งมาบอกอีกว่าจะเอาขนมอีกแล้ว แม่ครับลู้จะทําทไงจะบอกลูกว่ายัางไงว่าให้รู้ว่ามันไม่มีก็เลยเอาถาดเปล่าครอบกันถาดที่เคยใส่ขนมแล้วก็ฝาครอบไปแล้วก็ยื่นใส่มือคนใช้ไปบอกเขาว่าขนมไม่มีขนมไม่มีกใช้ก็วิ่งไปให้อนุรุธอนุรุธก็ไปเปิดออกขนมเต็มถาดเลยขนมเต็มถาดคือเทวดาเทวดาที่สถิตอยู่แถวนั้นน่ะ เคยเห็นอนุรุทธาบาเพ็ญบารมีมาในอดีตบอกว่าถ้าไม่ช่วยเนี่ยศีรษะเราคงแตก7ดเสียงเน่เพราะว่าเขาอธิฐานไว้ว่าขอความไม่มีชงอย่ามีอย่าได้เห็นสิ่งที่มันไม่มีอย่าได้ยินคำว่ามันไม่มีใช่ไหมก็<อ>เลยเนรมิตใส่ขนมทิพย์ลงไปในถาดเท่านั้นแหละพอเด็กชายอนุรุตไปเปิดถาดออกโอ้ศีสันก็น่ากินกลิ่นก็หอมฟุง้งเหมือนอาหารทิพย์ของเทวดาอย่างเนี้ย บอกว่าโอ้โหขนมไม่มีมาทำไมดีขนาดนี้ขนมไม่มีนะมาทำไมน่ากินจังฮะไม่มีก็นัดถีปูบะปูบะไปว่าขนมเท่า น, นั้นแหละพอเล่นแพ้เสร็จมอขนมแล้วกลับล บ, บ้านกลับไปต่อว่าแม่บอกว่าทุกวันแม่ทำไมไม่ทำขนมไม่มีให้พอแม่ได้ยิน ขนาดเราเอาถาดเปล่าไปให้ลูกยังมีขนมอีกรือเนี่ยนั่นแสดงว่าลูกเราเนี่ยต้องเป็นคนมีบุญมาเกิด <c oughs> คือถ้าดีมากๆไม่ช่วยอะ่ะเฉยเมย อ, อยู่ใช่ไหมเห็นคนดีเขาเฉยเมยไม่ช่วยเวลาตกทุกข์ลำบากอะไรันเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เอาดูต่อไปข้อ25คามิกาเคเฮสเววะเคเฮสุเอวะ นะแต่มันเป็นเคเหสุเอวะนิสีทันติวาติดทันติวาสยันติวาคามิกาก็แปลว่าเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนหรือว่าชาวบ้านคามิกาชาวบ้านทั้งหลายนิสีทันติวาย่อมนั่งบ้างติดทันติวาย่อมยืนบ้างสยันติวาย่อมนอนบ้าง เคเหสุเอวะเคเหสุเอวะในเรือนทั้งหลายนั่นเทียว <V esa. S 1> ชาวบ้านเนี่ยพากันนั่งยืนเดินนอนอะไรอยู่ในบ้านนั่นแหละ <V esa. S 1> เป็นอะไรเวสยิก <V esa. S 1> าเวสยิกา 26. สิสาธุชนาปัญจสู่สีเลสุติดถันติสาธุชนาสาธุชนหรือคนดีทั้งหลาย ติดถันติย่อมดำรงอยู่สีเลสุในศีลทั้งหลายปัญจสุหคนดีพากันตั้งอยู่ในศีลห้าเป็นอะไรเป็นพญาปีกะพญาปีกะข้อ27ปัญดิเตสุวาพาเลสุวาวิจางรนาพวันติปัญดิเตสุ วิจารกราัลนาปัญญาเครื่องพิจารกัลนาทั้งหลายพระวันติมีอยู่ปันติเตสุวาในบัณฑิตทั้งหลายหรือพาเลสุวาหรือว่าในคนผานทั้งหลายปัญญาพิจารณามีอยู่ในบัณฑิตหรืออยู่ในคนผานคําตอบก็ปันติเตสุในบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตและคนผานเป็นอะไร เป็นอะไรเวสยิกะใช่เหรอเวสยิกะหมายถึงที่อยู่อาศัยเป็นหลักปัญญามีอยู่ในใครปัญญาอยู่ในบัณฑิตปัญญาอยู่ในบัณฑิตมีในคนทานไม่มีเป็นพญาปีกะเหมือนเดิมยีปปักขีอันตัลิเขปักขัน ท, ทัติ ปักขีแปลว่าสัตว์มีปีกปักขีนกทั้งหลายอ่านกไม่ใช่ทั้งหลเอกภพปักขีนกปักขันทติย่อมบินไปอันตริเขบนท้องฟ้าอันตลิเขเนี่ยแปลว่าท้องฟ้ากางหาวนกบินไปกางหาวอันตริเขแปลว่าอ่าเป็นเวสยิกะ 29มัดฉาวางริยังคัตฉติมัดฉาปลาคัตฉติย่อมไปวางริยังในน้ำอ่าเป็นเวสยิกะซับมัดฉานะครับมีได้สองลิงปุงลิงกับอีธีลิงถ้าปุงลิงเป็นมัดโฉถ้าอิธีลิงเป็นมัฉามีสองลิงมัามัชาสับมีสองลิง เป็นอันนี้เป็นอีธีลิงอันนี้เป็นอีธีลิงมีสิมีก็มัดฉามัดฉาโยอถ้าเป็นปุงลิงเอกพจน์มัดโฉถ้าพหูพจน์ก็มัดฉาแต่นี่เห็นรูปมัดฉาแต่กิรยาเป็นเอกพจน์นแสดงว่าเป็นอีธีลิงถ้ากิรยาเป็นปหูพจน์ก็เป็นได้ทั้งปุงลิงอีธีลิงหน้าห้าสิบหกห้าสิบหกเป็นสัตตมีวิพัต อโอกาสแปลว่าในแปลว่าใกล้แปลว่าที่แปลว่าเหนือแปลว่าบนภาษาไทยเป็นบาลีภาษาไทยเป็นบาลีกรุณาเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีในอดีตการนี่ไงสัตว์มีวิพัฒ น, น์ก็ทับศัพท์ลงไปเลยอตีเต ในอดีตการมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีศีลมีธรรมและมีปัญญาคำว่ามีเนี่ยนะมาจากคำที่เป็นนามเลยก็มีมาจากคำที่เป็นปัจจั ย, ยก็มีอย่างอสถิตาทิศเนี่ยเราแปลว่าผู้มีทั้งนั้นเลยใช่มวีโสสีอิกอินโรโนวันตุมันตุอสติยังปัจจัยพวกเนี้ยวีปัจจัยเช่นเมทาวีผู้มีปัญญาโสก็เช่น ปัโสหรือไม่ก็สุตโสสุเมธโสผู้มีปัญญาดีอีกะอีอีก็เช่นเศรษฐีวันตุมันตุก็เช่นคัดันตุสติมันตุผู้มีอะไคุณอวันตุผู้มีคุณสติมันตุผู้มีสติ ปัญญาวัตุผู้มีปัญญาคนนี้ในที่นี้มีศีลมีธรรมและมีปัญญาอตีเตนในอดีตการมนุษย์ทั้งหลายว่ามนุษย์ษาเหมือนปุริษานะมนุษย์ษาเป็นคาว่าเป็นเนี่ยมาจากกริยาว่าเป็นก็คือโหอนติเป็นผู้หูพจน์อะเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายโหนติเป็นที่นี้ผู้มีปัญญาอะไรทีนี้ ผู้มีศีลล่ะผู้มีธรรมล่ะว่าอย่างไงผู้มีศีลก็ถ้าใช้นามก็จะใช้สัมปันนะสัมปันนะแปลว่าผู้มีถ้าศีละก็นิยมใช้สัมปันนะก็มีรูปเป็นศีละสัมปันนานหนูสองตัวปันนาศีละสัมปันนาผู้ถึงพร้อมด้วยศีลก็คือผู้มีศีลอะไร ผู้มีธรรมก็ลงอีกากปัจจัยในอสิติตัทิย์ได้เป็นธรรมมิกาธรรมมิกาผู้มีธรรมผู้มีปัญญาก็ลงวันตุปัจจัยปัญญาวันตุลงโยก็เป็นปัญญวันตาปัญญวันตาปัญญวันโตก็ได้ปัญญาวันตานี่ชัดเจนดีอติเตมนุษยสา สีละสัมปันาธรรมิกาปัญญาวันตาโหณติใส่โหติข้างหลังนี่แหละไม่ต้องจ่าก็ได้จะใส่จ่าก็ใส่ได้ไม่จ่าก็ได้จ่าก็แปลว่าแหละด้วยนั่นแหละมีมีศีลด้วยมีธรรมด้วยมีปัญญาด้วยปัญญาปัญญาหญิงหญิงสองตัว ใส่จ่ะก็ใส่จ่ะตัวสุดท้ายแต่มันมีโหติโหติอยู่ข้างหลังไม่นิยมใส่จ่าไม่ต้องใส่ก็ได้สีละสัมปันาธรรมิกาปัญญาวันตาโห ต, ต, ติอตีเตอตีเตอะตีเตมนุษษาสีละสัมปันาธรรมิกาปัญญาวันตา โหนติปัญญาวันโตก็ได้แต่มันจะมันจะมีรูปทั้งเอกพจน์พระหูพจน์แต่จะสงสัยได้ปัญญาวันตาจะไม่สงสัยทันไหมใครไม่ทันยกมือทวนอีกรอบหนึ่งในอดีตการมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีศีลมีธรรมและมีปัญญาอะตีเตมนุษย์ษา สีลสัมปันนาธรรมมิกาปัญญาวันตาโหนติอติเตนในอดีตการอันนี้ใช้เรียกเขาเรียกว่าสามัญญาการาญญาใช้ใช้วัาตามนาเลยอย่างเช่น สมัยนั้นนะเตนะสมยเยนะพุทโภพคะวาเชแต่ว่าเนวิหารรติเดี๋ยวลงท้ายวิหารรตินี่ก็คือสมัยนั้นหนูนนะมานานมาแล้วยังใช้คริยาว่าวิหรติประทับอยู่เหมือนกันถือว่าวัตถมนาวิพันธ์เป็นสามบรรยากาศถ้าจะไม่เน้นว่าการนั้นการนี้ชัดเจนเน่ยใช้วัตถมนาพราะวัตถมนา น, นี่ก็คือพูดง่ายว่าเราเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังเหมือนกับมันเป็นอยู่ปัจจุบัน ก็ใช้วัตมนาได้ทีนี้มาปัจจุบันบ้างในปัจจุบันมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมและไม่มีปัญญาคำว่าไม่มีเนี่ยนะในในภาษาไทยเนี่ยมันมีไม่ถึงสามไมนะ่แต่ว่าเราจะทำสามไม่เหมือนตัวคำแปลก็ได้หรือคำไม่เดียวก็ได้เหมือนกัน ก็คือใส่ณหนติเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรมเป็นมีผู้ปัญญาณหนติหาม่ได้ไม่ใช่ใช่เราใช้ณตัวเดียวปฏิเสธหนติได้หมดเลยปัจจุบันเนบลีว่าเอาปัจจุบันบอกซะบอกไปแล้วปัจจุบันเนไม่ต้องมีใส่กาเลเข้าไปด้วยนะ ปัจจุปันเนในปัจจุบันมนุษย์ทั้งหลายก็มนุษยสายังใช้คําเดิมอยู่เป็นผู้มีศีลก็ศีลละสมปันาเป็นผู้มีธรรมก็ธรรมมีกาเป็นผู้มีปัญญาก็ปัญญาวันตาเสร็จแล้วใส่ณปฏิเสธที่กิริยาวะะ่าณโหติใส่สามสับเหมือนเดิมแล้วใส่ณปฏิเสธที่กิริยา ถ้าจะใส่ปฏิเสธที่ทุกศัพท์นะก็ไม่นิยมอย่างเช่นเราจะใส่ว่าท่านะเขต้องนะทั้งสามตัวเลยนะนะศีลสัมปันาณนะธรรมิกาณนะปัญญาวันตาโหณติอย่างเนี้ยก็ไม่นิยมเอาณตัวเดียวเพราะอยู่ในประโยคเดียวกันกิริยาตัวเดียวนะ่ปฏิเสธสามตัวก็ไม่นิยมนะัตถิเหรอนะัตถิตัวนั้นต้อง ต้องปฏิเสธที่ตัวประธานนัตถิต้อง ป, ปฏิเสธประธานก็คือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีไม่ใช่ปัญ ญ, ญาไม่มีกลายเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีนัตถีปฏิเสธกิริยาไม่ใช่ปฏิเสธตัวประธานใช่มนุษย์มีแต่ปัญญาไม่มีศีลไม่มีแต่ถ้าใช้นัตถิปฏิเสธก็จะกลายเป็นว่ามนุษย์มไม่มี ข้อสามผู้มีปัญญามากย่อมยินดีในทานในศีลและในภาวนาผู้มีปัญญามากแต่บาลีว่ายัางไงมหาปัญโยหรือภูงริปัญโยก็ได้มหาปัญโยภูงริปัญโยพอสมเพลงรองเรือภูงริปัญโยภูงริ แปลว่าแผ่นดินผู้มีปัญญามากผู้มีปัญญากว้างใหญ่ดุดแผ่นดินเรียกว่าผู้ริปัญโยใส่มหาปัญโยนี่แหละตรงๆผู้มีปัญญามากมหาปัญโยย่อมยินดีระมา ต, ามาติไม่ใช่งรำนะระมาติระมาติในทานก็ทาเนในศีล สีเลในภาวนาภาวะเนหรือไม่ได้เพราะภาวนาเป็นอิถีลิงต้องเป็นภาวนายังในทานทานเนในศีลสีเลในภาวนาต้องเป็นภาวนายังใส่จะได้ตรงเนี้ยเพราะไม่ไดอยู่ยหน้ากิริยาวะโหติใสจะาได้แต่ว่าอ่าภาวนายังจา่า จะมาไว้ตัวหลังตัวที่สมเลยเรียงให้ถูกก็จะได้รูปอย่างนี้มหาปัญโยทาเน е สีเลภาวนายันจะระมติอ่าาวนายันจะทำสนธิได้เลยไม่ต้องยังกับจะเป็นยันจะเลยเอานี็ฮิ เ, เป็นวัคคันตะเนี้ยยังก็ได้ไม่ผิดอะไรแต่ถ้ายันจะแสดงภูมิว่ารู้เรื่องสนธิ <laughs> ถ้ายังจะก็ไม่รู้สมที่ <laughs> มหาปัญโยทานเนศีเลภาวนายันจะระมะติข้อสี่ส่วนผู้มีปัญญาสามย่อมยินดีในบาปอากุศลคำว่าปัญญาสามนี่คือปัญญาไม่ดีคำว่าปัญญาไม่ดีเนี่ยบาลีว่าทุก ปัญโยปอปาสองตัวทุกแล้วก็ตามด้วยปาปาจุดแล้วค่อยปัญโยทุบ ป, ปัญโยผู้มีปัญญาสามผู้มีปัญญาไม่ดีคนทุบ ป, ปัญญานั่นเองย่อมยินดีก็ใช้คําเดิมแต่จะมีว่าส่วนอยู่ด้วยนะต้องเป็นทุบ ป, ปัญโยปนนะณ ะ, ะต่อคนละขับคนละสับทุบ ป, ปัญโยคําหนึ่งปะณะคาหนึ่งปนะณนอนหนูปนะณนอนหนูปะะนีบาท แปลว่าส่วนทุก ป, ปัญโยปะนะธรรมะติยังดียังอยู่เหมือนเดิมแต่ไว้ท้ายประโยคนะอเอาในบาปอากุศลก่อนก็จะเป็นอปาเปอกุสเลไม่ใช่อปาเปอะกุสเรปาเปอกุสเลนี่ไงเอเนี่ยมันมีวิพัตของใครของมันอยู่แล้ว ปาเปอกุสะเลแล้วก็ระมติรมติระมติไว้ท้ายประโยคมันเดิมเอาที่ว่าตะากลางนี่หมายถึงว่ามันเจอภาษาไทยคําไหนก็แปลคํานั้นก่อนไงแต่ว่าจะเรียงให้ถูกบาลีต้องแบบนั้นระมติย่อมยินดีทุกปัญโยปณะดูนะทุบปัญโยปณะปาเปอกุสะเลแล้วก็ระมติ ทุปันโยปะนะปาเปอกุสเลระมะติต่อไปข้อหําบุญไว้ในโลกนี้ย่อมถึงสุขคติในโลกหน้าไม่มีประธานนะไม่ต้องหาประธานาในท่านในนี้ท่านไม่มีประธานแล้วก็ไม่ต้องใส่ประธานมีแต่กิริยากับกรรมแต่ว่าในโลกนี้เนี่ยมันจะมีเป็นสัตมีวิพัตเอาคำว่าทําก่อน ทำกัโกรติเพราะว่าไม่มีประธานแล้วใส่กิยาตัวหนึ่งมาเลยตัวแรกเลยทำแปลว่ากัโรติบุญละ่ะบุญต้องซึ่งบุญบุญเนี่ยต้องซึ่งบุญบุญยังอ่าบุญยังบุญคําว่าทําไว้ก็คือกัโกรติตัวเดียดนั่นแหละทําบุญไว้ในโลกนี้ละ่ะอิทะโลเก อิทะโลเกอทอธงอิทะแปลว่าในานี้โลเกก็แปลว่าใ น, นโลกเป็นขยายกันก็เลยอิทะโลเกในโลกนี้นั้นประโยคนี้ก็จะเรียงว่าอย่างนี้อิทะโลเกปุญจังกังโรติอิทะโลเกปุญยังกังโรติอททงนะอิทะ อิทะโลเกปุญญังกันโรติทําไว้ทาและ อ, อะไรย่อมทําซึ่งบุญในโลกนี้ย่อมถึงสุขติในโลกหน้าย่อมถึงบาิว่าไงคัตฉะหรือคัดฉันคัตฉะเมื่อกี้เป็นกาโรติก็ต้องเป็นคัดฉิตใจแวะจะหน้าต้องตรงกันคัตฉิสุขติละ่ะ สุขติล่ะซึ่งสุขติล่ะสุขติงสุขติงไม่ใช่สุขนะสุแล้วก็ขติงในโลกหน้าล่ะปลละอะไรปัละโลอะไรในไนปาละโลเกอเรียงหมาให้ถูกว่าปัระโลเกสุขติง แล้วก็คัตฉะติแต่ส่วนมากนิยมยันตินะเอาคัตฉะตินี่แหละหมายถึงไม่ใช่ยันติพอพยายาติคัตฉะติก็ได้ยาติก็ได้คัตฉะติอตยอยักสละอายาติยาติย่อมถึง <ยา S 1> วัละโลเกสุขติงยาติสุขติงคัตฉะติยาธาต ยาค้ามมณีในการไปมันค็อคำว่าเสด็จยาตราเนะี่ยมาจากยาธาตุนี่แหละสุขติงคัตฉัตติข้อหกพ่อครัวกำลังหุงข้าวในโรงครัวพ่อครัวก่อนโอทานังแปลว่าซึ่งข้าวสูโทอ่า สูโฮพ่อครัวกําลังหงงกําลังหุ ง, ง, หงปัปะจจะัตินะไม่ใช่ปัดนะปะัจจะติอถ้าปัจจัติไปว่าถูกหงง<ะ>ต้องปัจจติย่อมหุงซึ่งข้าวล่ะโอทหนังซึ่งข้าวในโรงครัวล่ะโรงครัวโรงครัวถ้าคําตรงๆก็พัตตะสาลา พัตตสาลาพัตต์ก็แปลว่าอาหารศาลาก็แปลว่างโรงพัตตสาลาโรงอาหารถ้าพัตตศาลาเราประกอบวิพัตเป็นอะไรพัตตสาลายังพัตตสาลายังเพราะเป็นอิถีลิงพัตตสาลาสาลาก็เป็นศาลายังเขียนลงไปเตรียงประโยคใหม่ว่าสูโทพัตตสาลายังโอทนังปจติ สู่โธพัตพตาสาลายังคำเดียวกันโอทัตนะปะจะปัตติข้อเจ็ดเวลาเช้าตรูภิกษุทั้งหลายพากันไปสูงเรือนหลังหนึ่งในหมู่บ้านเพื่อบินทบาทเนี่ยแยกคำคำให้ละเวลาเช้าตรู บาลีว่ า, าเวลาเช้ามีตั้งหลายคำเช่นปัจจุสะปัจจุสมปัจจุสสะสมเยปัจจุสะม ส, ะ ส, ะสมามเ ย, มม ย, มมยหรือไม่ก็ปุปพันเหหรือไม่ก็ปาโ ต, าโต <laughs> มันสั้นที่สุดถ้าเวลาเช้าตรูต่ก็เรียบ ก็าบาลีใช้ว่าปาโตวะปาโตวะแต่เช้านั่นเที่ยวนั่นแหละแต่เช้าตรูปาโตวะภิกษุทั้งหลายแหละภิกขุภิกขุพากันไปพากันไปพากันไปนะพากันไปคือพากันเนี่ยมันเป็นหูพิทช์เฉยๆบาลีว่าไปวารีว่า คับฉันติสูงเรือนหลังหนึ่งเอกังคาบังคามัง Class? นี่หมู่บ้านเอกังเคหังเอกังเคหังเอกังฆังเอกังเอกังนิเวสนงังได้ขนานั้นนะอ เ, น เ, นเอกังฆังรังขอระคังรอเรือสูงเรือนหลังหนึ่งเอกังฆังรังในหมู่บ้านว่าไงในหมู่บ้าน อ่าในหมู่บ้านต้องเป็นคาเมเมื่อกี้ถ้าจะบอกเอกังคาม a n คา a เมอีกก็งงทนล <c oughs> ในหมู่บ้านคาเมเพื่อบินทบาทแหละปินดายะฮะปินดายะปินดายะเรียงประโยคใหม่ว่าปาโตวะพิกขูปาโตวะพิกผูปินดายะปินดายะ ขาเมขาเมเอกังขะงรังเอกังขะงรังขัดฉันติปาโต ว, วะพิกหูปินดายะขาเมเอกังขะงรังขัดฉันติไม่ทำตัวไหนถาม ขออีกเที่ยวจะไปไหนอ่ะขออีกเที่ยวหนึ่งเนะีจะไปไหนขออีกเที่ยวหนึ่งไม่ทันเหรอใครไม่ทันไหนะยกมือหน่อยจะได้บอกใหม่ไม่มียกมือเลยทันหมดเนะนี่ยนิเวใส่ข้ารังก็ได้เคหังก็ได้นิเวสนังก็ได้ คะอังคารนี่แหละใช้ตัวไหนก็ได้แปล ว, นะว่าเรือนนะแปลว่าเรือนนิเวศนังก็ได้เคหังก็ได้เคหังก็ได้คหังก็ได้นะคหังเคหังแปลว่าเรือนเหมือนกันนะนิเวศ น, นันงต่อไปข้อแปดในที่นี้มีบัณฑิตอยู่หรือเปล่าหรือไม่หรือหนอ แ, แลนะ เป็นคำถามจะเอากิริยาขึ้นต้นเลยไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่กิง่งต้องแปลว่ามีก่อนมีบาลีว่าไงมีมีอยู่หรือมีอยู่หรืออ่ะมีอยู่อัติอัติมีอยู่หรื อ, อ, อหรือณนนุไม่ได้ไม่ใช่หรือจินณุอ่ะอะไร หรือเฉยๆเนะี่ยหรือเที่มาตั้งเยอะแล้วเนะี่ยหรือนะอ่ากนุเนี่ยนุเฉยๆเนะี่ยอย่าใช้นนุนุเฉยๆอัธินุแต่ว่ามีนุแล้วมักจะมีโขตามหลังถ้าไม่โขแล้วมันไม่เพราะอัธินุโขอัธินุโข ไม่เขาไม่ได้บอกว่าเอกภพหรือภูมิภพเนี่ยมีบัณฑิตเฉยๆเนี่ยแล้วก็เป็ น, นเป็นเอกภพเลยบัณฑิตโตแล้วก็อีทะอธินุขโขปัณฑิตโตอีทะทอทอ ง, อ, ท อ, งอิทะในที่นี้อีทะเฉยๆเนี่ยถ้าจะใส่ที่ด้วยก็ถาเนอิทะถาเนอีทะเฉยๆก็ใช้ได้อิทะ อธิโนโขปันดิตอิทะมีงหรือบัณฑิตที่นี้มีงหรือบัณฑิตในที่นี้นะแต่ภาษาไทยกันในที่นี้มีบัณฑิตหรืออิทะฐานในในที่นี้อิทะคับเพในห้องนี้อิทะสิปาคางเรในโรงเรียนนี้ข้อเก้า ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายในการทุกเมื่อเราอยากจะเวพรเขาว่าอย่างเนี้ยเขียนบาลีให้เขาไปเขียนว่ายัางไง <c oughs> ขอความสวัสดีคําว่าขอเนี่ยนะมันเข้ากับจงขอจงโปรดจงกรุณา <c oughs> เป็นปัญจะมีวิพัฒน์ <c oughs> ถ้าเขาบอกว่าจงมีมันก็ต้องเป็นโหตุถ้าความสวัสดีอันเดียวนะ ถ้าความสวัสดีหลายอันก็โหตุตอนนี้เราเอาเอกพจน์ว่าโหตุขอจงมีเนี่ยบาลีมาจากโหตุแล้วความสวัสดีล่ะความสวัสดีโซถินะถ้าเอกพภ์โสถิถ้าภูน์โสถีโสตีโหตุโหตุโซติได้แล้วนะสองคำแก่ท่านทั้งหลายล่ะ อแก่ท่านทั้งหลายทั้งหลายตาวังอันว่าท่านตุมหากรงตุมมหากรงไม่ตุมหากังก็โ ว, โวตุมหากรุงสมมุติว่าใส่ตุมหากังหรือจะใส่โวก็ได้นะมันเพราะกว่านะสั้นๆ น, นะโ ว, โวแล้วก็ในการทุกเมือ่อ สัพพะาก็ได้ศสัตถาก็ได้อันเดียวกันสัทธากับสัพพะามาจากศัพท์เดียวกันเพียงแต่เทศสัพพะเป็นสะเท่านั้นเองก็เป็นสัตถาได้สัพพะาก็ได้ตอนนี้เราก็ได้รูปมาแล้วว่าโสติโวโหตุสัพพะาโสติโวโหตุสัพพะาเช่นคุยๆกันไปแล้วนะเราก็บอกว่าโสติโวโหตุสัพพะา เขามาคนเดียวก็เตเปลี่ยนโวเป็นเตโสทีเตโหตูสัพพทานีนีนโซทีนะเราไม่เอาโซทีล้ว เ, เปลี่ยนเราคำไหนๆก็ได้เช่นสุขีก็ได้หรือไม่ก็สุขีโตหรือสุขีตาก็ได้ตามตามลิงนะถ้าสุขีโตสุขีตานะต้องดูว่าผู้หญิงผู้ชายนะถ้าผู้ชายเราก็บอกสุขีโตโหตูสัพพทาถ้าผู้หญิงก็สุขีตาโหตูสัพพทาถ้าไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงก็เอาชายไว้ก่อน หรือบางทีเขาอยากจะเป็นผู้หญิงแล้วก็สุขีตาไปถ้าไม่เอาสุขีตาไม่เอาโสติแล้วก็เอาคำอื่นได้อีกเช่นพาสุโกพาสุโกผาสุ ก, กังผาสุโกโหตุสพัพพทาอะไรนะหรือไม่ก็ใช้คาว่าอะโรขยังอนามายังอะไรพวกนะั้นได้หมดหรือไม่ก็พัดทาง พัดทางความเจริญพัดทางโหติเตฮะพัดทางเตโหตุสพธาอนามายังเตโหตุสพธาอังโรขยังเตโหตุสพธาอยากให้เขาไหวอย่างไงล่ะอยากให้เขาเป็นอะไรเราเราก็ไหวอย่างนั้นแหละสมว่าขอให้เดินทางปลอดภัยอ่ะบาลีมีไหมขอให้เดินทางปลอดภัยเนะี่ย จะเรียนหน่วยสอดแนมฮะขอให้เดินทางปลอดภัยเขาบอกว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพใช่ไหมก็ถ้าโดยสวัสดิภาพก็เป็นโสธินาโสทินาขอให้เดินทางล่ะจงไปในโสธินาคัตฉตุอจงไปโดยสวัสดี ต่อไปข้อสิบสุดท้ายคนพาลไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์คนพาลบาลีว่าไงาพาโลถ้าพาโลไปทางอีสานพาโลนี่หมายถึงว่างองแงเด็กองแงาเขาจะด่าดุว่าอย่าพาโลพาโลคนพาลไม่เลื่อมใสละ่ะ เลือกเอาคำว่าเลื่อมใสกันบาลีว่าไงเลื่อมใสประสันโนประสันโนเหรอสัทโธเอาสัทโปาสาธะฮ<า>ะปาสาธเอาให้มันเต็มกริยาหน่อยสิโอหอือปะสีทติถําไม่ก็ใส่ณนะข้างหน้าว่าณนะปะสีทติปปสเสือสลีทททหารตเต่าสลิ ปะศีธติแปลว่าย่อมเลื่อมใสใสปณปฏิเสธว่าณปะศีธติย่อมไม่เลื่อมใสปะศีธติปะศีธติทศฐานทหานในพระพุทธเจ้าละ่ะพุทธเทพระในพระธรรมละ่ะธรรมเมในพระสงฆ์วะสังเข แล้วก็ใส่จะไปสักษามตัวก็ได้พุทเทจะธรมเมจะสังเคจะทีนี้เรียงประโยคใหม่ว่าพาโลพุทเทจธทรมเมจะสังเคจะนะปะสีทตัติไม่สงสัยจะต่อแล้วนะข้อเกอะไรนะสัพพทาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหน้าก็ได้ไม่ผิด ถ้าเอาไว้ข้างหน้าก็นิยมเป็นสัทาสัทาโสติพระวันตุเตถ้าเอาสัทวาไว้ข้างหน้านะสัทาโสติพระวันตุเตไม่เป็นโสติเตหตุสัพพทาเอาสัพพทาไว้ข้างหน้าก็เป็นสัทาสัทาโสติพระวันตุเตเอ้ยไม่ใช่พระวัตุไม่ใช่พระวันตุสัทาโสติพระวัตุเต สทาโสติภวะตุเตถ้าเป็นโสตีก็พลินภวันตุถ้าโสติก็ภวะตุเอกพจน์สทาโสติภวะตุเตโสติเ ต, โ, เตโหตุสัพพทาอันเดียวกันโวก็ไ ด, ได้เตก็ได้เขาโวก็หลายคนเตก็คนเดียวถ้าไม่อยากให้ใครเลยก็ใส่เมยเข้าไปข <c oughs> อความสวัสดีจงมีแก่ขปเจ้า เมเยวะเท่านั้นแก่ข้าพเจ้าเท่านั้นเอาถ้าขอได้จะขอให้ใครก่อนนะขอให้ตัวเองก่อนหรือขอให้คนอื่นก่อนขอให้ตัวเองก่อนเลยนะคนไม่ได้บําเพ็ญบารมีเป็นอย่างเงี้ยขอให้ตัวเองก่อนแผ่เมตตาก็แผ่เมตตาอันนั้นคือไวยะของการแผ่เมตตามันคนละอย่างกัน ในยาของคนแผ่เมตตาก็คือพูยง่ายว่าจากข้างในสุดเมตตาเริ่มต้นจากที่ไหนเริ่มจ้นจากห้ไหนก็ให้มันแผ่ออกไปจากจุดเริ่มต้นันแบบไปไปกว้างไปกว้างไปกว้างไป